ฟังเสริต่ออยา <c oughs> เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราได้ฟงังเป็นสิ่งที่เราได้ทําสิ่งที่เราได้ทําเป็นสิ่งที่เราได้ฟังก็ประกอบกันเข้าทาได้สําเร็จ เป็นเรื่องของชีวิตเรานี่เองแม่เราสาธยายพระสูตรต้องมาจาับคบวัตราสูตรก็คือเรื่องชีวิตเรานี่เลยชีวิตเราก็มีอยู่สองส่วนคือมีกายมีใจปัญหาจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่นี่แค่ปัญหาก็เจ้าที่นี่ที่กายที่ใจเรานี่ วันนี้ก็พระพุทธองค์ก็ยังทรงทบทวนปฏิจจสมุปบาทตัดสู้ได้สีวันในสั ป, ปดาห์แรก <c oughs> ยังอยู่โตที่บันลังทบทวนเรื่องการตัดสู้เป็นมาอย่างไร เกิดงไหนดับอย่างไรเรื่องที่มันเป็นมันเกิดมันดับอยู่ที่ไหนเึงมาถึงที่นี่ผ่า น, น, านอะไรบ้า ง, านนางมาที่ถึงจุดหมายปลายทางขาไปขากลับทบทวนอยู่จนเกลี่ยงเก่าที่สุด ไม่มีความสงสัยในด้านหนทางเรียกว่าปฏิเจติสมุป บ, บาทจิงนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีจึงนี้มีสิ่งนี้จึง ม, ง ม, ง ม, ง ม, งมีไปถึ ง, ถ ง, ถงชลามลณะาโถกับเรียกว่าทุกข์เป็นที่หมาย ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนมมนมมจนถึงไม่มีทุกคือที่หมายเช่นเดียวกันขาไปขากลับจะทนไงก็ไม่ผิดทางส่วนนี้ไม่ผิดเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ผู้ใดเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคือผู้ที่เห็นธรรมมันอยู่ที่กายที่ใจเรานี่คืออะไรเราสัมผัสได้อย่างไรก็สิ่งที่เราทำอยู่นี้ตั้งต้นจากภาวะที่รู้แล้วก็ไปไกล ตั้งต้นจากภาวะที่หลงก็ไปกลายเวลาปฏิบัติทำอย่างไรให้มีภาวะที่รู้เพราะสิ่งนี้มีเจือก่อนจริงจะมีสิ่งที่สองไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นก็ไม่มีไปเรื่อยๆถ้าหากมันมีก็เปลี่ยนให้ไม่มีไปเรื่อยๆไป เป็นภาคปฏิบัติถ้ามีภาวะที่รู้มันก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวอยอะแยะมากบายแสงหน้าแสงหลังตัดหน้าตัดหลังอยู่เรื่อยก็ไปเรื่อยตั้งต้นล้วก็ไปเรื่อยจับเส้นทางไปเรื่อยจนถึงจุดหมายปลายทาง ทางที่เราปฏิบัติจานี้อะไรผ่านมาก็ลู่ไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวเหยียบเช่นทางได้แล้วมีสติไปในกายเป็นประจำจนํำนานเต็มลรกก็ไม่ค่อยํำนานจำนานในทางอื่นในทางที่หลงกับจะมากกว่า ความรู้ความหลงก็โชว์เรียว่าฉายออกมากำลังรู้อยู่ความหลงก็เกิดขึ้นจากตาจากหูจะกบกเร่ง้ายใจแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปแต่พืทธะเบอ์ปลาย พอถึงนี่มีสินี้ก็ไม่มีพูดออกมาได้พอหลงก็เป็นรูได้วยพออะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นรูได้เป็นรูได้เป็นรูได้วทั้งหมดที่มันเกิดกับกายกับใจมันเป็นภาวะที่ถึงรู้ได้ทั้งหมดเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ทําไม่ได้มันจะใหญ่ขนาดไหนถ้ามีตั้งต้นจากภาวะที่รู้แล้ว เพราะมีเพราะวิชาเรียกว่ามันก็มีอะไรที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆไปนะกับปฏิจจสมุปบาทก็มีวิชาสังขารดับนามรูปดับอาจตนานดับ พัทธดับวทราดับตัณหาดับชาติดับฉลามโมโสกาประเจวะทุกข์ไม่มีดับไปเลยสายดับถ้ามีอวิชชาก็มีสังขารปุงไปเป็นุขเป็นทุกข์มีนามรูปเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนในทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนในความทุกข์กนนนในความ ความโลภความลัความชางังกเลสตัญหาราคาทุกสะโมหะเป็นพวกเป็นชาติในานามลูกทำได้ทำชั่วได้สำเร็จนับใช่ความชั่วได้สำเร็จกิเลสตัญหาทำได้สำเร็จนามลูกเกิด อาจจะชนะเกิดผลสาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพชาติชลาเมละ า, ายท่านต้องสูทุกข์เนจุดไหวไปทางเกิด ด, ดับเกิดดับเพียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนั่นหลงก็เป็นหลงอยู่เช่นนั่นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่เช่นนั่นโกรธก็โกรธอยู่เช่นนั่นไม่จบสักทีที่ไหนก็ไปถึงที่โน่นที่ไหนก็ไปถึงที่โน่น ก็ <c oughs> ไม่เพิกตนสอนตนงอมาปฏิบัติก็เห็นมันมาทางนี้ในหลงไม่เป็นหลงในทุกไม่เป็นทุกในโกรธไม่เป็นโกรธในกิเลสทานหาไม่เป็นกิเลสทนหาอย่างในหลักอริสัจจีปฏิเจรจสมบูบาทก็คืออริสัจจีนี่เองอริสัจจีคืออะไร ประทามใหญ่คือองค์มรรคมรรคคือศิ้นสื่อสมาธิคือปัญญาสิ้นสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นก็พรามีสติมาลงที่นี่เลยสติมันก็ละความชัวม่วมาจทำความดีมันก็จิตบริสุทธิ์การทำการละความชั่วเป็นศิ้นการทำควกมดีก็เป็นสมาธิการทำจิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นปัญญา อยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดในหลักของการตัตลรูคือสติปัฏฐาน4ีเมื่อมีสติปัฏฐานทีก็มีสมปัฏฐานสีอิธิบาทสีอนรีห้าพละห้าเกิดสำบวมไปเองแล้วความชั่วทำความดีไปเองสำหรวงไปเอง มีสิ้นเกิดขึ้นมาเองสิ้นสิทธาเกิดขึ้นมาเองเป็นหลักสติตเป็นหลักอริสัทธสี่เข้าวงอริสัทธสี่ไปทำลายไปเลยในทุกเห็นเลยจันทีตรงกันข้ามในหลงความไม่หลงตรงกันข้ามในความไม่หลงความหลงตรงกันข้ามได้เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนี่คืออริสัทธสี่ ทุกเรารู้แล้ ว, ลวเห็นแล้วห ล, ลงเห็นแล้วไม่หลงพ้นจากความหลงเป็นภาคปฏิบัติมาที่ใดหลงที่ใดมีสติที่ใดความหลงก็หมดไปไม่ได้ทำ<ด>เหมือนกับว่าเป็นจั บ, จบสิ่งจับของทำงานทำการทำง่ายที่สุด เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเนี่ยไม่ยากก็คือเหมือนเราได้ฟังธรรมาจากเรารู้เห็นตามความเป็นจริงในหลักความเป็นจริงทุกมีปัจจัยสามทำกับมันเห็นได้เกิดทุกทำกับมัน สิงที่เด็ดทุกได้ทําได้อย่างไรมีปฏิวัติสอคือเห็นเห็นทุกไม่เว้นทุกคนจากทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกไม่ทําเหตุนั่นแล้วเหตุที่ทําให้เกิดทุกไม่มีอีกแล้วนี <c oughs> ่รูดแจ้งแล้วเราทําไม่แจ้งแล้วรู้แน่นอนหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกไม่จริงความไม่ทุกเหมันจริง มันก็จะไปที่ไหนบัดเป็นหลักอริสตสีโรยตรงในภาพปฏิบัตินี้ในการเจริญสติปัฏฐานนี้จึงมีอยู่ในธรรมที่ทาให้เกิดการตัดสู่ได้ตา น, นี่ผงคงทกทวนเรื่องผลสำเร็จอยู่ในวันที่สี่ในสัปดาห์หนึ่งครั้งแรก อทบทวนจนชนวิชามนานในวันแรกเนะ่ในวันที่สองก็จงกรมอัตนาจงกรมในวันที่สามก็อนิมิตเถจดียืนอยู่ดูสีมาโพอยากไม่เคยพิบตาไม่ความ สำเร็จสึ่งใดก็ย่อมยิ่งมีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็ย่อมจะจบทวนดูอะไรที่มันมันมีคุณค่าภาคภูมิใจเหมือนเราทำมาอะไรที่มันสำเร็จสร้างบ้านหลังใหญ่ๆสำเร็จมันก็อาจจะภูมิใจจากนา้าพักน้ำแรงของเราแม้จะเรามีการศึกษาจบ มีงานมีการทำก็แค่เอื้อมมือเรานี่เองก็อาจจะมีความภูมิใจสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราลูกก็ใช่ได้เป็นประโยชน์เป็นสากลมีพวกได้จัดสร่้เทเธอพวกก็ต้องงองสีมาโพอย่างไม่กระพิบตาเลยในสัปดาห์ที่สามยังหนีไมมยังไม่ดำเนินหนีไปที่ไหนยังอยู่แถวๆนั้น จักราที่สีก็รัตนเจดีบพันธลังศีจัราที่ห้าก็ไปทั้งหมดนิโคที่เคยฉัดเข้าหนังสุจดาไปมองดูสดโลกเตียบเงือบบัวสีเหลา บางเขนจะเผยแพร่สัจธรรมเรื่องนี้มองเห็นคู่คนนั่งหลายเหมือนบัวสีเหลมีหวังจตุปปดาที่ห้าก็สะมุจลินห่างไปแล้วหวันห่างสีมาฮโพลไปทางทิศใต้จตุปปดาที่7็ดกลออกไปชมทาง ที่จะไปพราณาสีเสร็จแล้วกำลังวางแผนราชาเจตนาได้วาสศที่นั่นแล้วก็เปล่านั้งก็ไปพราณาสีเลยวางแผนที่จะไปมองคนที่เราเห็นปัญจวิคีเป็นบัวที่พ่นด้าม ในเรื่องฝังนแล้วาจะได้บานได้รู้ได้ทันทีตามความคิดที่มีเหตุปัจจัยไม่มีใครที่ต้องง่ายเท่ากับปันจำคีนี่ปายพลรรายศีมานปลายปลายเดือนมิถุนาใช่ไหมปลายปลาย เ, เดือนเกตต้นเดือนแปด เติเอนทางเติเอนไปถึงพราณสีนะเ้ลากเกือบจะยี่สิบวันต่อไปก็แสดงทมที่เราได้ฝั่งโมจีนี่ทำมาจับเกิดขึ้นที่นั่นมีเฉลยที่นั่นมีผู้รู้ตามที่นั่นนี่ก็มีหลักฐานอย่างนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อเราทบทวนดูติดตามดูมันมีชีวิตอยู่ หลักการปฏิบัติที่เราได้ฟังก็เป็นเรื่องของชีวิตเรานี่โดยตรงนู้จึงมากำหนดลองดูใช้ในหลักการปฏิบัติจะเญนสติปัฏฐานนี่พระองค์ก็ท่าทายไ้แล้วหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีกำหนดไว้ขนาดนี้นะคือมั่นใจมั่นใจที่สุด พระองค์จึงอุทานหรือตัดออกเป็นภาษาพูดออกมาถ้าถ่ายต่อคนทั้งหลายให้มีคิดทางบ้างอย่าไปจนในะเรื่องที่ทำให้เกิดการบรรลุธรรม การบรรลุธรรมอาจจะไม่ถึงไม่ใช่คิดว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเดี๋ยวนี้ได้หรือไม่มันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงวินาทีนี้รู้วินาทีนี้มันหลงก็เปลี่ยนในวินาทีเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ช่อนเลย ม, มันหลงเห็นมันหลงนี่เป็นการกระทาที่มันที่มันโชคที่สุดเลย เป็นความเห็นชอบที่สุดเลาเนเป็นมรรคเราเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยนี่วินาทีนี่ไม่ใช่เจ็ดวันวิ น, นาทีแต่และวินาทีแต่และวินาทีมันเฉดไปทุกวินาทีเดีละละ๋ยวเราเรามีสติกําหนดการรู้ทุกวินาทีรู้ทุกวินาทีจะไปรอถึงเจ็ดวันนะ่มันรู้ทำเหนี่ยวนี่ เ่อมีการกระทําลงไปก็ได้ผลทันทีการกระทาเป็นมืมมอคู่เขีนเขา้ารู้สึ ก, กนี่แหละเอาความรู้สึกมาอยู่ที่กายเอาความรู้สึกมาอยู่ที่จิตจใจเวลามันโหลงมันคิดนี่มันก็ทุกข์วินาทีตั้งต้นอยู่ที่ทุกข์วินาทีทุกข์วินาทีมันจะเป็นอย่างไร บรรลุธรรมเปลี่ยนหลงไปไม่หลงบรรลุธรรมน้อยๆไปอย่างนี้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนอะไรที่ไม่ใช่ความรู้เปลี่ยนมาเป็นควารู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันมั่นใจที่สุดนะจิตที่มันจะอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นสนับสนุนเป็นแรงเสริมอะไรบ้างศรัทธา แน่วแน่ที่สุดเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระเจ้าเชื่อมั่นว่าบาปบุญมีจริงทุกมีจริงความไม่ทุกมีจริงเพเราเคยทุกเพราเราเคยโกรธเพราเราเคยหลงมันเป็นอย่างไงพระเจ้าบอกศอนทางมาเลยไม่ทุกขไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายเราเป็นทุกข์ความเกิดเราเป็นทุกข์ควมเจ็บเราเป็นทุกข์ความเจ็บเราเป็นทุกข์ความตาย พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งที่เกิดเจ็บเจ็บตายไม่มีเนะเชื่อไว้มีผู้ทำา้ด้นับโตจากพรพุทธเจ้าเรายังมีเหล่าสาวกจนมาถึงถกวนนี่อย่างน้อยก็มีหลวงพ่อเทียนนั่งเทศน์ให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาสร้างศรัทธาื่อมีศรัทธาก็มีความเพียรไม่ทอถอยอตือรือร้นใช้เวลา ความเพียรนี่เป็นวิวทีวาเลยมันมีแรงแรงเสริมจากศรัทธาความเชื่อในศาสนาในคำสอนเหินกับดินปืนที่มันพุ่งออกไปส่งส่งให้มีความกลืนก้าทถลอกไปศรัทธาตัวนี้ ก, นก็โดดโน่ะถลอกไปไก ภาษาอะไความงงงหงนอนความขี้เกียจชี่ขานความหลังเลสงสัยก็มีศรัทธาจริงๆทหลาได้ง่ายๆไม่ยากที่ว่ามันเป็นทมขวงกันมันเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาขวงกันได้เดามามีศรัทธาไม่ความเพียรเนี่ยอ้ยภาษาอะไรความงงงหงนอนความคิดผงซ้างความเลยสงสัย ไม่ภาษาอะไรมัน้ทลาได้กับไม่ใช่เรื่องถูกต้องมันก็กระโดดได้มากที่สุดตรงนี้นะเหมือนกับบ้่งไที่มันขึ้นสูงดินแรงดินสัดขึ้นไปสุดควรหมดแล้วแรงหมดแล้วแต่มันพุ่งขึ้นไปสูงลออยู่บนฟ้าน้อขวงอยู่ที่นน มันพุ่งตถาความเพียรสติสมาธิปัญญาจะไม่เป็นทางตัดสร่ได้ไงจะไม่เป็นทางดับทุกข์ได้ไงไม่อยู่กันทุกคนมันมีพลังงานพุ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ว่าได้นะไม่มีละมันพุ่งตลอดเวลาแรงอันนี้ไม่มี แกมีเท่าเป็นแรงแห่งสต้าแรงแห่งสติแรงแห่งสมาธิแรงแห่งปัญญาไม่มีคำว่าแจะว่าเท่าในเรื่องของความเกิดเจ็บตายนะไม่เคยอ่อนเอไม่เคยอ่อนแอในความหลงไม่เคยอ่อนแอในความทุกข์ไม่เคยอ่อนเอในความสุขไม่เคยอ่อนอในความเป็นอะไรเข้มแข็งในความไม่เป็นอะไรตลอดเวลา จุดไหนแปลางคือชีวิตของเราที่ไม่เหนือทุกอย่างเริ่มจากความรู้สึกตัวนี่เสริมไปหลายๆอย่างเราก็ไม่ใช่เปียวเดียวดายมีอยู่สัมผัสได้อยู่สิ่งที่เราทำมสัมผัสได้มันหลงสัมผัสได้มันรู้สัมผัสได้เลือกได้เป็นชีวิตที่เลือกได้ ไม่ใช่พิคเป็นคนพิกลพิการในทางสติปัญญาให้เป็นอาภะพระผุ้คนเคลื่อนมือเข้าเคลื่อนมือออกรู้ได้นั่นแหละเป็นหน่อโพธิ์ตั้งต้นจากภาวะที่รู้นี่ไปเรียกว่าหน่อโพธิ์งอกขึ้นมางอกขึ้นมางอกขึ้นมากแก่ก้าขึ้นมาคือปัญญาโพธิ์นี่หมายถึงปัญญาที่มันเกิดจากการ ประกอบขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอรลอเท่าไหอยากลูกก็ประกอบออถ้าจะเปลี่ยนหลงให้เป็นลูกก็ประกอบออกทาเอาท า, า, าได้กับมือมันก็มีความภูมิใจงาหลงเปลี่ยนไม่หลงมาทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นงานเป็นการของชีวิตมันได้ชีวิตจากที่นี่ เริ่มก่อชีวิตขึ้นมา <c oughs> จากสิ่งที่มันไม่ใช่ชีวิตสิ่งที่มันเกิดมันแก่มันจะบมันตา ย, ยจะได้เหนือมันซะถ้าเปลี่ยนหลงไปไม่หลงนี่แหละทางไปเหนือการเกิดจะจะปลายคือมรรคผลนิพพานอะไรเปลี่ยนมาเป็นรูปเป็นรูปเป็นรู ป, ปทั้งหมดทางไปตรงนี้เราก็ทําได้ทุกคนเลือกได้ไปชีวิตที่เลือกได้ การชีวิตที่ทำได้ยาสละสิ ท, สทธิร้อยเปอร์เซนมันทุกเรามีสิทธิไม่ทุกใช้สิทธิลงไปเราไม่ค่อยใช้สิทธิเรื่งนี้กันมันโกรธเรามีสิทธิไปโกรธใช้สิทธิลงไปให้เป็นธรรมมาที่บัตตายมันเป็นชีวิตชีวาตัวนี้แหละมันได้ชีวิตตรงนี้ จ, จึงจเจริญเนื้อการเกิดเจเจ็บตายมันเป็นของมันเป็นสิ่งที่เราทำเองได้เอาธาตุสี่ขันธ์เนี่ยนะเป็นที่เอามาประกอบเปอนพวงแผลขีข้าวผ้าไม่ใช่มันแก่มันผุมันจิบหาย ไ, ไปเฉยๆเรามาได้ใช่ให้มันคุ้มค่า มันมาไล่เป็นดีเด็ดมันเป็นธาตุสี่เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นดุ้นเป็นก้อนที่เป็นลูกมีขันห้าที่มันเป็นวิญญาณธาตุตีมันลู่อะไรได้สัมสอนเลือกิใช่ไหมอย่าให้มันสัมสอน สิ่งจิตใจเนี่ยที่มันเป็นมียานธาตุเนี่ยแต่คิดอะไรก็ได้หรือไม่ใช่เราจะรู้จักเลือกรู้จักใช้มันให้มันคิดแต่ก่อนเราไม่ค่อยใช้มันให้มันคิดถึงที่ถูกที่ชอบคิดไะไก็ได้แต่เปรตประปับ ไ, ไปหมดใช่ผิดประเภทใช่จิตใจผิดประเภท ไม่เคยใช่จิตใช้ใจให้ลูกให้ปล่อยให้ Voor, ใหาวางให้อยู่ทั้งเย็นมีแต่ผูกม um, ัดลดลึงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นด้เป็นเสียเป็นเลิกเป็นชังพอใจไม่พอใจเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนขึ้นมากับใจไม่เห็นตามความเป็นจริงเสียดายเวลามันหลงไม่เปลี่ยนเป็นลูกเสียดายเวลามันโกรธไม่เปลี่ยนเป็นไม่โกรธไม่เปลี่ยนเป็นลูก แล้วก็ผิดอยู่แต่ พ, ตพืชตพืึ้อจีเอาสรงขายผิดแล้วรับไปทวนบัดนี้หนึ่งวันเจ็ดวันมาลองดูสิเอาให้มันเต็มที่ลองดูซิมันจะมีกระแสมันจะเห็นเงื่อนขายเห็นที่เห็นทางมาพบกันมีหวังมีหวังเป็นชีวิตที่ทำได้ทำได้ทำได้จากนี้นะ มันมีทางมันเห็ น, ทนแท้ๆอยู่เนี่ยไม่เลาะไปลี้ที่ไหนทางใครก็ว่ารู้ได้เวลามันหลงรู้ไหมเขาก็ว่ารู้นั่นแหละเป็นคู่มือเป็นเครื่องมือให้มาทำเรียว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรามาอ้อนวอนมา เป็นพิธีกรรมเฉยๆเป็นการกระทําเป็นกรรมมีเจตนามีศรัทธาถ้าไม่มีเจตนาไม่มีศรัทธาเรนก็ไม่เป็นกรรมเป็นการตัดแตกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีผลเราเดินฟีฟีเราเคลื่อนไหวฟีฟีเราคิดฟีฟีเราหลงฟีฟีเราโกรธฟีฟมันเราไปกินฟีฟี มาเท่าไหรบาทที่อยาให้มันเอาไว้ฟรีให้เป็นกรรมให้มันเห็นเกี่ยวข้องกับมันปึกตนสอนตนหนึ่งวันเกียรตลันจะเป็นเช่นไรเหมือนกับคนทำงานโยม็อีกความสำเร็จลงไปเรื่อยๆมันนี้ได้ เพนี่วันนี้ใดแค่นี้ก็มีความสําเร็จไปอาจะง่ายขึ้นที่แรกก็ยากง่ายที่จะหลงทําไปทําไปง่ายที่จะลู่ครึ่งกลางกลถ้าหลงก็หลงไปไม่ไกลแต่ก่อนไปไกลจนกลายเป็นจุกเป็นทุกข์เพราะความหลง เป็นชอบเป็นไม่ชอบเพราะความหลงเป็นรักเป็นเกลียดชังเพราะความหลงก็เป็นรักเป็นเกลียดชังก็ทําตามความรักความเกลียดชังจนกลายเป็นพวกเป็นชาติสําเร็จเป็นกรรมไปมีแต่กรรมที่ไม่ค่อยตัดกรรมตัดเป็นสักรีหลงจนตายทุกข์จนตายโกรธจนตายเสียใจดีใจจนตาย ถาหลงเป็นรูนี่ตัดจมตัดจอมชั่วเปลี่ยนความชั่วเปี่ยนก่อกุศเป็นกุศกุศลคือความรู้อกุศลคือความหลงอกุศลคือความทุกุศลคือความไม่ทุกคือความรู้อกุศลคืวามโกรธกุศลความไม่โกรธคือความรู้สึกตัดตอมตอนนี้เรียกว่าสิ้นกรรมสิ้นเวร ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปคิดว่าโอ้ที่ได้นายเวนนายกรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรก็เป็นกรรมยอมรับจุเช่นนั้ น, นยอมรับกรรมรับเวนอยู่เช่นนั้ น, นเป็นธาตของเขายิ่งใหญ่กว่าเราเวนกรรม จะต้องหัวโล่ลงให้เพราะเวนกรรมบางทีชวนปฏิบัติก็ยังมีกรรมเพราะไม่ไม่ิเจตนามากมีพาร ะ, ะมากภะร ะ, ะมาเคลไรมันอุปทานยึดมั่นในขันธ์หน้าในภพร ะ, ะมาและอันนี้ไม่ได้ปล่อยให้ทิ้งลูกทิ้งเมียทิง้งลูกทิ้งหลาน วางใจเฉย ๆ, ๆไม่ใช่วางมือมือไม่ต้องวางยังอุ้มลูกอมหลานได้ยังทํางานทําการดังแต่วางใจวางขันหน้าที่เป็นอุปาทานมันหัดเอาไม่ใช่ไปวางมือวางทิ่งกันหนีไม่ดูแลกันไม่ใช่ปฏิปธรรมยิ่งดูแลกันดีดูแลกันดีช่วยเหลือกันดีปฏิบัติธรรม คนหนึ่งโกรธจะพระยาช่วยคนที่โกรธเพ่งโกรธจนได้จนถึงความสามารถแล้วก็ช่วยกันได้จริงจริงควโกรธควาทุกข์ก็ช่วยกันได้จริงจริงทำด้วยกายทําด้วยใจทําด้วยวาจาเอามาช่วยกันได้จริงๆนี่ให้วางตรงนั้น่ช่วยกันให้ไม่ทุกข์ให้ไม่โกรดนี่แห ล, ละกันระยานะ้มิตร จากหัวจากเมียเพิ่มเป็นกันริยะาณมิตรกันริยะาณมิตรพาไปถึงมรรคถึงผลได้หัวเมียกันนี่ไม่ถึงมรรคถึงผลมีแต่พาเป็นทุกข์เป็นโท ษ, โทษเป็นกรรมเป็นเวนถ้ามปีปฏิบัติทรมันเป็นกันริยะาณมิตรพาให้ถึงมรรคถึงผลซพ่อต่อเสียกันได้ นี่เรีว่าตัดกรรมปฏิบัติธรรมในมันตัดกรรมตัดเวรนิ้นภพชิ้นชาติเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าพุ่นเพราะว่าเก่าเคยหลงไม่หลงเคยทุกข์ไม่ทุกข์เคยโกรธไม่โกรธเป็นภา ะ, ะใหม่เรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาติไม่ ก, กําเริบปีกเหมือนพุทธองค์ได้อุทานออกมา ตอบใดที่ยังไม่มตัดชร้อโรคเพียงใดและยังไม่ปฏิญาณมาได้ตัดชื้รแล้วที่มาเห็นข้อเปรียบเทียบจากการกระทาของพระองค์ว่าทุกขในกำลิง ทุกไปกำเลิบอีแกแล้วหมดสิ้นชาติแล้วจะให้โกรธเป็นไปไม่ได้จใจทุกเป็นไปไม่ได้คุ้มขืนตัวเองมันง่าย่ำบากที่สุดจใจทุกให้โกรธให้หลงให้เกิดเราใช่จลเลตนะมันเป็นไปไ่ได้ไม่กำเลิบอีกแล้วเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจึงได้อุฒิคันว่าเป็นกัตถะลุ่ยนุตสัมมาสัมโพธิญาณพ้นจากภาวะเดิม เมื่อมันพุ่นจากพระเบรมมเคยมันคิดยังไงเมตตากุณาเกิดขึ้นรักคนทั้งโลกรักทุกอย่างจะช่วยใครจะช่วยเลยวิ่งเอานะต้นเดือนแปดไปวิ่งเอาลราจะไปพูดนะสามร้400มอยกมสี่รอยกมจากพุทธกยาถึงพาราณสีเนี่ยไม่ใช่ใกล้นะไว้ถึงพาราณสีในเสดงธรรมจักรที่เราสาธยายเมื่อกี้นี่แก่บชรพชิ พอแสดงทำเหตุที่ไปแสดงทรมาจากพ ท, ทุกคนนับแต่วันตัดจะรู้ที่ผู้ที่บันหลังทุบทวนปฏิจาสมุปบาทวางแผนแ น, น, น่ น, นอนแน่นอนแน่นอนเหมือนพวกเราที่เรียนวิชาพระวาลพิช า, ากาพย์แน่นอนที่สุดสากลที่สุดต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เด็ดขาดเดินกันหมด อย่างงตาเนี่ยเป็นโลกก้อนเนื้อในตบหมอที่สารแปกมามาต้องให้เจีหมูตัวใหม่เข้าไปเพื่อรักษาได้รักษาได้พระเจ้าปิเศษวิธีการรักษาเงินได้นอกจากให้เจีหมูตัวใหม่เข้าไป นี่มันคือเป็นสากลขนาดนั้นถ้าพระเจ้าไปเีดวิธีการแล้วจะอเไยนี่คือสากร <c oughs> หมอประเทศไทยเราก็แน่นอนตันเดียวกันมันก็หมายได้สากลแห่งธรรมมันลาจะสากลกว่ลาเรื่องนี้อย่างเรามีสติเนี่ย เหมือนกันหมดเลยใครก็ตามถ้ามีสดิเป็นดินเดียวกันหมดสากลศาตนาสากลศาชนาพิธีต่างกันสาสนาบุคคลต่างกันาชาตนาวัตถุต่างกันสาตนาธรรมเหมือนกันหมดทุกาชาตนาไอสอน คนต่างชาติไปสอนชนะมีหลายภาษาหลายชาติที่มาปฏิบัติไปสอนหาวิเลยพยบเพียงใหม่ให้มีสติให้ยกมือหรือจีเ้าก็ว่าเขารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นอะไรเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นคิดไหมศาสนา เมื่อไระยัพเพียงใหม่เป็นศาสนาคิ ด, คดนิ่ายโพเตต็มเป็นคิดไหมผมรู้สึกตัวเป็นศาสนาคิดไหมไม่ใช่เป็นคิดเป็นอะไรผมรู้สึกตัวขี่ไปหาคนอีกคนเป็นแขกก็มีเป็นอะไรอันนั้นประเทศอะไรเราก็บอกว่าคือความรู้สึกตัวนี่สากลที่สุดเดียนหลงเป็นลู่สากลที่สุด เปียนทุกเป็นไม่ทุกเป็นลูสะคนที่สุดทําไงจะไม่เด็ดเดี่ยวขนาดนั้นพระพุทธเจ้าแน่นอนที่สุดแล้วแน่นอนที่สุดมั่นใจที่สุดเราจึงได้ปฏิญาณว่าได้ตัดสรูปพ่อหวงเฉพาะแล้วเมื่อจากนี้คนในโลกเป็นอย่างนี้กันหมดเกิดเจ็บตายก็ไม่เกิดไม่เจ็บไม่ไมไมมาตายเหมือนกันหมดเป็นยังไง ทุกคนมีรูปมีนามต้องมีเกิดเจ็เจ็บตายมื้อเกิดนเกิดเจ็บตายทุกคนต้องต้องมีเรื่องนี้ให้ได้ถ้าไม่ถ้าเกิดมาแก่เจ็บตายเฉยมีประโยชน์อะไรกระตือหรือโลนบอกไปสอนแตญยคีคนทันยาอญญาจีปตะโกนทัน โ, อญญโน ย, นยอนดาจีปตะโผคนทันโยติยาคนนั้นโยผู้มีอายุเลกเรกวหนอรู้แเล้ยวหนอะ ได้เป็นไปแล้วนี่คือพิสูจน์ได้อย่างนี้เราคงเป็นเช่นนั่นเหมือนกันวเวลามันหลงเปลี่ยนหลงลูกขึ้นมาทาได้ทุกคนเนี่ยเอาตรงนี้พวกเรามาทำตรงนี้เรียกว่ากรรมมาฐานศันกดิ์สิทธิ์บ้างกรรมมาฐานเนี่ยอะ ล้วก็มีกำหนดที่จะเอากันเข้มๆอยู่สี่สิบวันพร้อมแล้ยังไม่เียหน่อยฮะต่อรองอะไรปุ๊กฮะเราไม่กำหนดส่สิบวันมัดใครกันไว้สีเอาวินาทีนี้เลยทีเดียวนะเอามันใหญ่ปับ๊บปั๊บเข้าไปเลย มันเก้าทีละเก้าเก้าทีละเก้าไม่ต้องคิดถึงจุดหมายปลายทางแต่เก้าทีละเก้าสำคัญที่สุดลู่ทีละลู่สาคัญที่สุดเราพลิกมาขึ้นกโลสิบสี่วินาทีวินาทีละลู่เนี่ยก้าวฐานกายสัมัญญะบัพภะมันทีกว่าอันอื่นทีกว่าอนาบัพภะสี่ทีกว่า บะกลัวที่ไม่คิดยิงรู้สึกตัวนะ่มันไม่ใช่หลมันแก้ตรงที่มันแก้บันนี้มันป้องกันนั่นนด็มันแก้ไขอันหนึ่งมันป้องกันสมามปัญญบับพะสิบสี่จังบาะนี่มาก่อนยุบหมอผองหนอ่อแต่มันไปเจริญอยู่ประเทศลาวดูว ต้องก็เถียนเอาคืนมาร้อยปีเนี่ยเจงฉลองก็รอบร้อยปีหลวงพ่อเทียนนะ ม, มันถี่นะมันป้องกันนะเหมือนคนเป็นลูกคนไปหาหมออ่นน่นมั้งเลยแก้ได้แก้ไม่ได้ที่มันหลงจึงค่อยไปแก้ที่มันทุกข์ยิงค่อยไปแก้บางทีก็แก้ไม่ได้ทําไม่ได้ทำไมาได้ มีคนพูดอย่างนี้เออมังกรทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะมันเข้าถึงตัวแล้วนี่มันรู้จักตัวเพราะมันเกิดขึ้นรูปั๊บแชร์ได้ทันทีมันดูอยู่แล้วมันเป็นป้อมป่าการสติเป็นป้อมป่าการผู้เจ้าเปียบเพียบอย่นี้ศัตรูมาจากไหนรู้ทันทีขี้บอกมีอํานาจมากเหนนี่มีอํานาจมากถ้าเป็นนี่คิดช่วย ก็เห็นนี่อำนาจยิ่งให่น่าเป็นเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกขคิดโฉยที่สุกข์ไม่มีค่าเลยคีวไปไหถ้าเห็นนี่ยิ่งจหจึงเนี่ยป้องกันสิบสี่จังหวะจังหวะหนึ่งรูที่ห่งวินาทีหนึ่งรูที่หนึ่งรูที่หนึ่งรูทุกหนาทีรูทุกวหนาทีไม่ต้องพยายาอะไร ผู้ใดที่จะหักเรื่องนี้มาใช่ที่นี่ไม่ทำแล้วนี่ชินาทีลูกวนาทีนะลูกพอไหวไหมจำจำมาหานั่งกินไหวไหม <c oughs> อา้าวไปหาชาวบ้านมาช่วยก็ได้ช่วงนี้บอกอาจารย์ต um ุ้มนะานอาจารย์ผู้จัดการใหญ่อ า, า um จารย์ตนะุ้มโนอดจากไปว่าสององนั้นจะเขําเอเนะี่ยไปขี <c> ้ <oughs> เป็นยังไงเอาเลยนะสี่สิบวันนี่แม่มันยิบหน่อยเดียวได้ไมไม่ใช่สี่สิบวันแล้วให้ทุกวินาทีสี่สิบวันถ้านับเป็นวินาทีนี่ใจร้อยๆอยแสนร้อยล้านวินาทีเรามันมากกว่าสี่สิบวันรู้ทุกวินาทีนี่โอ้มมีกำลังเข้มแข็งอย่ามากํนหนดให้เรา อาจารย์ทุ่มจะนโนดกำหนดให้เราสี่สิบวันเรางูนต้องกำหนดทุกนาทีเก่งกว่าสี่สิบวันด้วยซ้ำไปนะเพะนั้นแหะมาใช้ที่นี่เถอะอาจารย์ทุ่มจะนโนดรับไปโชคอาหารการกินเราไม่ต้องไปคิดเั้งอยู่เรื่องกินเก็บแค่ได้ป่วยที่หาอาจารย์ทุ่มจะนโนดนั้นในช่วงนี้นะยังเช่พระเจ้าป่วยว่าเนี่ยไม่สบายบ้างเนี่บอกนะรับรองว่า พ่อที่จะช่วยได้นะพวกเราจะเป็นเพื่อนหลวงพอ่อกรมหลวงพอ่อนี่ก็จะเป็นเพื่อนจาจารย์เขีนอาจารย์วัชัยหลายรูปอยู่ที่นี่ช่วยกันพวกเราเนอ<ม>ก็คนเราไม่ลามือกันไปพีป่โลสองน้องโลหนึ่งเราก็ช่วยกันด้วยช่วยตัวเองนี่ดีที่สุดเลยอันนี้อาจารย์น้อยจะว่าอย่างไร